วาระสอุ ป, ปาทานิโรธวาระหนึ่งปัจจุบั น, นวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคลจะขายยตนะมูลกะในร9อากอนุจกขายยตณะของบุคคลใดกำลังเกิดโสตายยตนะของบุคลลบคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิโสตายยตนะของบุคคลใดกำลังดับ จาก ข, ย Además, right? way? Way? May we, may ขาย า, า english, onda, ans, right? Please, ตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่อนุจากขายาตนะของบุคคลใดกำลังเกิดคานายตาณะรูปายตาณะมานายตาณะธรรมายตาณะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิธรรมายตาณะของบุคคลใดกำลังดับจากขายาตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่สองรอนุ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 คำที่ท่านกล่าวไว้ว่าในภูมิใดไม่ควรเพิ่มคำว่ามิใช่คำที่ท่านกล่าวไว้ว่าในภูมิใดเพิ่งเพิ่มคำที่เหมือนกันกับคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าในภูมิใดซึ่งนอกจากนี้คำที่ท่านกล่าวไว้ว่าในภูมิใดเหมือนกันทั้งสามวาระอนุโลมะปุขะโลกาตจากขายตนะมูลกะใไหนสอง้อยสองอนุ จากายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับจากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่สองอสอนุมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิด ธัรมยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิธรรมยตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่ปัจจินิกะบุคคลจากใครยตนะมูลกะในสองอนุจากใครยตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิด โสตายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กาลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้มีโสตะเกิดได้กําลังจุติจากกายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่โสตายยตนะไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีโสตะเกิดไม่ได้กําลังจุติจากกายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กาลังเกิดและโสตายยตนะก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิ โสตายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจากขายายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักรเกิดได้กำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่จากขายายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้มีโสตตะเกิดไม่ได้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจักรเกิดไม่ได้กำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับ และจากขายาตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจากขายาตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดคานาญตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังจุติจากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คานาญตนะไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้มีจกักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังจุติ จากคายตนะของบุคคลนั er ้นไม่ใช่กำลังเกิดและคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจากคายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจากขึเกิดได้กำลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่จากคายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังจุติ บุคคลผู้มีจักรคูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคาในยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจักรายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้มีรูปเกิดได้กำลังจุติจักขายตนะของบุคคลนั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่ไม่กำลังดับ บุคคลผู้มีจักขรเกิดไม่ได้กำลังอุบัติและบ <tant> um, ุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังจุติจากกายยตนะของบุคคลนั้นไม่ใช่กำลังเกิดและรูปลายยตนะก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิรูปลายยตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจากขายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขรเกิดได้กำลังอุบัติรูปลายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับ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 จากขครยตนะของบุคคลนั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนายิตนะไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้มีจักกุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังจุติจากขครยตนะของบุคคลนั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนายิตนะก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิมนายิตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจากขครยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิ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 จากขายาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้กำลังอุบัติทำมายาตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่จากขายาตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติทำมายาตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและจากขายาตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดจากขายตนะมูลกะในจบ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 คา น, นายตณะยตณะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและรูปายตะณะก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิรูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับคานายตะณะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กํำลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่คานายตะณะไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กําลังจุติ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 แต่คานายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้มีเจือเกิดไม่ได้กำลังจุติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติมะณายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอ น, นุคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดธรรมญาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิ segundo. บุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติ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 บุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและมานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัจเจเนกะโอกาสจากข้ายตนะมูลกะในสอง8อนุจากข้ายตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปัจเจเนกะปุคโอกาสจากข้ายตนะมูลกะในสองรอนุ จากคายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าของบุคคลใดและคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าของบุคคลใดในภูมิใดเหมือนกันสองอติตะวาระ ว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลจากใครยตนาโมลกะในสองอสิ 210. อนุจากขครยตนาของบุคคลใดเคยเกิดโสตายตนาของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตายตนาของบุคคลใดเคยดับจากขครยตนาของบุคคลเหล่านั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ในอุ ป, ปาทวาระ นิโรธวาระและอุปาทนิโรธวาระอติตะปุชาเหมือนกันทั้งอนุโลมและปัจจนนกะสอนาคตะวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลจากขายตนะมูลกะในสองอสิบอดอนุจากขายตนะนอน ข, ตนของบุคคลใดจากเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นก็จากดับใช่ไหมวิใช่ ปติโสตายตนะของบุคคลใดจักดับจักขายายตนะของบุคคลนั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิปชิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในบรญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานซึ่งกำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จักขายายตนะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้โสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับ และจักขายตนะก็จกเกิดอนุจักขายตนะของบุคคลใดจกเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและปรินิพานซึ่งกำลังจุติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้จักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักเกิดและคานายตนะก็จักดับ ปฏิคานายัตนะของบุคคลใดจักดับจากขายัตนะของบุคคลนั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิประชิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานซึ่งกำลังอุบัติคานายัตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จากขายัตนะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้คานายัตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับ และจักขายตนะก็จะเกิดอนุจักขายตนะของบุคคลใดจกเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จกดับใช่ไหมวิใช่ปฏิรูปายตนะของบุคคลใดจกดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปภูมิ และปรินิพานซึ่งกำลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จักขายยตนะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและจักขายยตนะก็จักเกิดอนุจักขายยตนะของบุคคลใดจักเกิดมานายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดจักดับ จักขายยตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิประชิมพวิกรบุคคลผู้กำเนาอุบัติและบุคคลผู้จักอุบัติในอรูปภูมิแล้วกรินิพานทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต see, no. ่จักขายยตนะไม่ใช่จ <sti> ักเกิดบุคคลนอกนี้ทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและจักขายยตนะก็จักเกิดจักขายยตนะมูลกะในจบคาในยตนะมูลกะใน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 แล้วปรินิพานซึ่งกำนังอุบัติรูปลายัตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่คานายัตณะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้รูปายัตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและคานายัตนะก็จักเกิดอนุคานายัตนะของบุคคลใดจักเกิดมนายัตนะธรรมายัตณะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายัตนะของบุคคลใดจักดับ คาในายตนะของบุคคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิประชิมภวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้จักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปริญิพานทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจากดับแต่คาในายตนะไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้ทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจากดับและคาในายตนะก็จากเกิดสองสอนุ รูปายตนะของบุคคลใดจกเกิดมนายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดจักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิปัจจิมภวิกระบุคคลผู้กำเนิงอุบัติและบุคคลผู้จักอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่รูปายตนะไม่ใช่จักเกิด บุคคลนอกนี้ทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและรูปายตนะก็จักเกิดสองอสอนุมนายตนะของบุคคลใดจักเกิดทำมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปติทำมายตนะของบุคคลใดจักดับมนายตนะของบุคคลนั้นก็จับเกิดใช่ไหมวิประชิมพะวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติ ทำมยตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่มานายนาตนะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและมานายนาตนะก็จักเกิดอนุโลมะโอกาสจากขายตนะมูลกาในสองอสิบหอนุจากขายตนะในภูมิใดจักเกิดอนุโลมปุคะโลอกาสจากขายตนะมูลกาในสองสิห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 แต่จักขายัตนะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวโการภูมิโสตายัตนะของบุคคลเหล่า น, นั้นในภูมินั้นจักดับและจักขายัตนะก็จักเกิดอนุจักขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิดคาณายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปราวจรภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิด และคานยตนะไม่ใช่จักดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลางมวจรภูมิจากคายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดและคานายตนะก็จักดับปติคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิปัจชิมภวิกรบุคคลผู้กำเนิอุบัติในกลามวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับ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 จากขายัจนะของบุคคลนั้นในภูมินี้ก็จกเกิดใช่ไหมวิปัจชิมภวิกรบุคคลผู้กำเนาอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสานยศตะภูมิรูปลายัจนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่จากขายัจนะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปลายัจนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและจากขายัจนะก็จักเกิด อนุจากคายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จกดับใช่ไหมวิใช่ปฏิมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจกดับจากขายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จกเกิดใช่ไหมวิปชิมพวิกรบุคคลผู้กำเนดอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจกดับ และจักขายตนะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการะภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและจักขายตนะก็จักเกิดอ น, นุจักขายตนะของบุคคลใดในภูมใดจักเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมใดจักดับ จากคายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปจชิมภวิกะบุคคลผู้กำเนอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตต ภ, ภูมิและอรูปภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่จากคายตนะไม่ใช่จักเกิดบุคคล น, นอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจวักรภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและจากขายตนะก็จกักเกิด ชาญตนามูลกะในจบชาญญาตนะมูลกะในสอง้อสิบเจดอนุชานญาตนะของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดรูปายญาตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จกดับใช่ไหมวิใช่ปฏิรูปายญาตนาของบุคคลใดในภูมิใดจกดับชานญาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ ปชิมผวาวิกาบุคคลผู้กำเนิดอุบัติในกางมวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปราวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่คานายตนะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกางมาวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและคานายตนะก็จักเกิดอนุคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิดมนายตนะ ธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับคานายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิประชิมพระเวกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในกลามอวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับ แต่คาในยตนะไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกลางอมวจรภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและคาในยตนะก็จะเกิดคาในยตนะมูลกระในจบรูปายตนะมูลกะในสองยสิบอนุรูปร า, ย ต, ป า, ย, ตากกยตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมันในยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่มนายนตนะไม่ใช่จักดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและมนายนตนะก็จักดับปฏิมนายนตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ ปัดชิมภวิกร บ, บุคคลผู้กำเนิอุบัติในปัญจโวการภูมิและบคุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิมนายต น, นะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่รูปลายตนะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวกรภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและรูปลายตนะก็จักเกิดอนุรูปลายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิด ทำมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปติทำมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจเจมพระวิกรบุคคลผู้กำเนิดอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่รูปายตนะไม mm ่ใช่จักเกิด บุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปันจวโวการภูมิและอสัญญาสัตตภูมิทำรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและรูปรายตนะก็จะเกิดรูปรายตนะมูลกะในจบมนายตนะมูลกะในสองร้อยสิบเก้าอนุมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดทำมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิ ทำมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่มนายตนะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับ และมานายาตนะก็จะเกิดปัจจินิกะบุคคลจากขายาตนะมูลกะในสองยยี่สอนุจากขายาตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดโสตายาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกกะบุคคลผู้กำเนิดอุบัติในปัญจโวการะภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปภูมิและปริณิพานซึ่งกำเนิดอุบัติ จากคายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิด umm. แต่โสตายตนะไม่ใช่จากไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัจฉิมภวิกะบุคลบคลในรู ป, ปภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานซึ่งกำลังจุติจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและโสะตายตนะก็ไม่ใช่จากดับปฏิโสตายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จากดับ จากขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากคายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในอรูปภูมิและปริญิพานซึ่งกำลังอุบัติจากคายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและคานายตนะก็ไม่ใช่จักไม่ดับ บุคคลผู้กำลังปรินิพานในการมาวจรภูมิปฏิทินพวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานซึ่งกำลังจุติจากคายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและคานายยตนะก็ไม่ใช่จกักตับปฏิคานายยตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักตับจากคายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิ บุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิและปะรินิพานซึ่งกําลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากดับแต่จากคายตนะไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามวจรภูมิปชินพระวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานซึ่งกําลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากดับ และจักขายัตนะก็ไม่ใช่จักเกิดอนุจักขายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดรูปายัตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิปัจฉิมพวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานซึ่งกำลังอุบัติจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่รูปายัตนะไม่ใช่จักไม่ดับ บุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปถิมภวิกรบุคคลในรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานซึ่งกำลังจุติจากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและรูปายาตนะก็ไม่ใช่จากดับปฏิรูปายาตนะของบุคคลใดไม่ใช่จากดับจากขายาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ จากขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดมนายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปภูมิแล้วปรินิพานจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จากไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิด และธรรมยจตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิธรรมยจตนะของบุคคลใดละถึงวิใช่จากขายจตนะมูลกะในจกะคานายจตนะมูลกะในสองอ ย, ยี่สิบเอ็ดอ น, นุคานายจตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดรูปายจตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิ ปัดฉิมพวิกระบุคคลผู้กำล ok ังอ uh ุบัต wow ิในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปริญิพานซึ่งกำลังอุบัติภาในยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเปิดแต่รูปายตณะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปริญิพานในปัญจโวการภูมิปัดฉิมพวิกระบุคคลในรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกำลังจุติ พานายิยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและรูปายตนะก็ไม่ใช่จักดับปาฏิรูปายตนะของบุคคลใดวิใช่อนุพาณิยตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดมนายตนะธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิปาชิมพวิกรบุคคลผู้กำเนิดอุบัติและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิ และอรูปาวจรภูมิและปรินิพานคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดวิใช่สองอยี่สิสองอนุรูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดมะนายตนะ ธรรมยจตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปภูมิแล้วปริณิพานรูปายจตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ธรรมยจตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำเนงปริณิพานรูปายจตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและธรรมยจตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิธรรมยจตนะของบุคคลใด วิใช่สองยยี่อนุมนญญายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิปัดฉิมภวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติมนญญายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จากไม่ดับบุคคลผู้กําลังปริยพานมนญญายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จากดับปฏิ ธั ร, ร ม, มายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จากดับมนมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่ปัจเจนกะโอกาตจากขายตนะมูลกาในสองอยี่ิบอนุจากขายตนะในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดปัจเน ก, กาปุคะโอกาตจากขายตนะมูลกาในสองยี่สิห้าอนุ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 จากขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและโสตายัตนะก็ไม่ใช่จากดับปฏิโสตายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดวิใช่อนุจากขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดคานายนาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิปัจฉิมพวิกระบุคคลผู้กำหนดอุบัติในการมรรจรภูมิ จากคายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จากไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกามวจรภูมิปัจฉิมภวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตภูมิและอรูปภูมิจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและคานายตนะก็ไม่ใช่จากดับปาฏิคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากดับ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 บุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการะพูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิจากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและรูปายาตนะก็ไม่ใช่จากดับปฏิรูปายาตนะของบุคคลในภูมิใดวิใช่อนุจากขายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดมนายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิ ปทิมพวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิจากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่มานายตะานะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและมานายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิมานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดวิใช่ อ น, นุจากขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดธรรมยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิปชิมพวิกระบุคคลผู้กำลนิอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตภูมิและอรูปภูมิจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ธรรมยตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำเนิปริญิพาน จักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและทำรรมายัตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิทำรรมยัตนาของบุคคลใดในภูมิใดวิใช่จักขายัตนาโมลกะในจบคานายัตนาโมลกะในสองอยอี่สิหอนุคานายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดรูปลายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหม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 รูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดวิใช่อนุคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกคะบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามอวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิด แต่มนายนตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำเนิดปรินิพานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิคานายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและมนายนตนะก็ไม่ใช่จักดับปาฏิมนายนตนะของบุคคลใดในภูมิใดวิใช่อนุคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิ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 วิใช่ขานยตนามูลกะในจบรูปรายตนาโมลกะในสองอยสิบเอนุรูปรายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดมนายนตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจวัการาภภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่มนยนตนะไม่ใช่จากไม่ดับบุคคล NO. ผู well ้กำลังไปริญพานรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและมนยนตนะก็ไม่ใช่จากดับปาฏิมนยนตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากดับรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิ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 มานายัตินะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและธรรมยัตินะก็ไม่ใช่จากดับปาฏิธรรมยัติตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากดับมานายัตินะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่